อีกสูตรหนึ่ง น, นะครับตรงกันข้ามนะชื่อว่าอตะปนิยสูตรนะครับว่าด้วยธรรมะสองประการไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนจึงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นผ้าอรหรันตรัสแล้วเพราะเหตุ น, นั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายธรรมะสองประการนี้ไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนสองประการเป็นไงดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ได้ทำความดีงามไว้ทำกุศลไว้ได้ทำบุญอันเป็นเครื่องต่อต้านความขาดกลัวไว้ไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำอกุศลกรรมอันหยาบช้าไม่ได้ทำอกุศลกรรมอันกล้าแข็งบุคคลนั้นย่อมไม่เดือดร้อนว่าเราได้ทำกรรมอันดีงามดังนี้บ้างย่อมไม่เดือดร้อนว่าเราไม่ได้ทำบาปกรรม ดังนี้บ้างดูกวามพิสูจนทั้งหลายธรรมสองประการนี้แหลไม่เป็นเหตุให้เดื อ, รอดร้อนนะครับหมายก็ว่าบาปก็ไม่ได้ทำทำแต่ดีเนี่ยจะไปเดื อ, รอดร้อนทําไมเนา <Ori en. S 1> ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาละกายะทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตและไม่กระทําอกุศลกรรมอย่างอื่นใดประกอบด้วยโทษ กระทำแต่กุศลกรรมเป็นอันมากเมื่อตายย่อมเข้าถึงสวรรค์นะครับในเรื่องนี้ก็ไปดูในวิมานแต่วัตถุทั้งหลายเป็นต้นหรือว่าเช่นนายธรรมิกอุบาสกใช่ไหมครับที่ว่าผู้บันเทิงในโลกทั้งสองอะนะบันเทิงในโลกนี้บันเทิงในโลกหน้านะครับบันเทิงในโลกทั้งสองเพราะกุศลกรรมที่เขาทําดีไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ผู้ที่ไม่ได้ทําบาปทําแต่คุณงามความดีก็ไม่ได้เดือดร้อนใจอะไรเลยนะครับ นันทยาอุบาสกด้วยนะมีหลายท่านนะครับยิ่งสมัยพุทธกาลนี่มีมากจริงเพราะพระอริยะเยอะนะครับ mm hmm. เขาคนเหล่านั้นก็ได้ทําความดีไว้ถึงเคยมีบาปก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจอีกแล้วเพราะว่าเพราะว่าท่านเป็นพระอริยะแล้วเพราะว่าไม่ไปส่วบาทุกติวินิบาดนรกแล้วนะครับถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วนะสบายแล้วเพราะไม่ต้องไปอาบายแล้ว